มันมใส่อะไรต่อเยอะแยะมันภาชนะเยอะเฉยๆหรอคนจริงโตเยอะอยู่ถ้าใส่อย่างเดียวอย่างเดียวันไปเลยก่าสามตะปมังก็พอแล้วเต้องือายลี้ยปูรวมกันหลายอย่างอยู่ราถ่านี้เจ็สบายตักันใส่กันตะกันประเภทเดียวกัน หลวงปู่ก็อยากซื้อของทุกอย่างเลยหลวงปู่อยากได้ทำบุญหมอทำบาปนพะเสด็กิเลศไปทำบุญก็นั่งดูลมหายใจเขาออกมอีสะเทดเลยครับเข้าบ้านตั้งหลายนานแต่ชาเลือเกินเดี๋ยวในาพันษาจะให้เขาตักอาหารใส่พรอมไม่ต้องใส่หอส่อพระเสดยจิเลศมาถึงวัดปรก็ยุ่งกันหมาแยกงันใส่หมกใส่หอ้อทนบาป ติดรถติดชาตินะพุทธเจ้าทำลายให้ใสเ่เสมอกันอา่าไปติดต่อแหมหล่ะสครับไปติดต่อเรื่องเดี๋ยวรถมาแล้วถึงให้รถไปเอาเราขอรถราลลคาให้ไหมครับตรงนี้ต่อครับทีเดียติดต่อเดี๋ยวนี้ครับเวลาจะเราปรกาศซื้อแบได้ได้ไดใจเช่าเปเวลาเราจะตกใจซื้อแล้วก่อนบ่ายโมงนนไม่รู้ว่าแน่นอนหรือเปล่าบางที เด็กไม่มาพรุ่งนี้ต่อไปอีกเด้เราไม่ใช่เวลาจะยาวเลยต้องเวลาไหนเวลานั่นล่านอื่นไม่มีจะไปเอาในจังหวัดมีร้านเดียวถีไปเอาเท่าไหร่จรงได้ใจต้องเวลาต้องเวลาที่พระเวลาจ้ำกันค <c oughs> ่าเขามาเวลาเท่าไหร่เด็กขับรถเขามาช่วยงานราคาเท่าไหร่ พวกทำงานนะทุกทนัดเวลาชั่วโมงราคาเท่าไหร่ขับรถมาถึงประมาณตีหนึ่งกว่าเออจะพูสารา <c oughs> เออราเออจะจะมาไปพรุงนี้อีกโอ้ยตายแล้วยังเป็นนี่ถ้าหลวงพ่อมาเสร็จต่ข้าวก่อนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน็นนนทนาน <c oughs> นนนนนนนนนนนนนดนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน ไม so ่สวยแล้วรอพระมาทำหน้าใช่นั่ไม่ใชต้องขับพระพระมีประธามามีประธามาพวกระยุกบัดเพ่พระมาจากอะไ จากลเอียดคุณเย็นทั่งหมคุณบานนางด้วยไหยนงไม่จากละเอ็ดมากความตันเลยคุณเฟินคน่เินท่รอดกเฟินมากเินทียบรอดกว่าเทียบเทียบนะที่รอดนานไมที่คือพวกขี้ต่ไหนตนพวกขี้ก็บวกขี้เล่ยใกล้แน่จะได้ไอ้ทุดดงก็ต้องในนางเอาตัว เคยเดินจากโน่นมาจากวันเลยเคยจากอะไรละ่ะ <c> ต <oughs> ั้งผูเกยดหรืออะไรทั้ง <c oughs> ดื่มชื่อไปจะทางเขาพันจะทาสะพานสะพานเต็ม เมืองเกาะเลยเกาะปูเกียดมสงขาสงขาไปเดินจากสงขามาจังหวัดเลยกลางคืนหลวงปู่เดินจากกลางคืนรถมาจอดลากก็ไม่ขึ้น่ะแต่เดือนกลางเวรคนเห็นก็จะว่าอย่างนูนนี่เดี๋ยวมาขอลองให้ขึ้นรถขึ้นลาแต่ไม่อก่อนรถมันไม่มีกลางคืนหรอกอมีน้อย เดิ น, เ ด, น, เ, ดนเดินไปาวนาไปองเดียวเ <c oughs> ด้หลวงพ่อฝากใหม่ <c oughs> สอบสตั้งตีตัองทัวร์ตั้งเอกไว้จะให้สอบทำประตูเดี๋ยวจะทำประตูดต่งกรางจิตวันนั้ น, นออกลเรียนท่านแล้วท่านบอกว่าท่าน จะไม่สอบอะไรเลยเนอไม่จะไม่แต่เด็กปู่ส่งอยากให้ไปช่วยเผยแผ่อังกฤษนะน้อปู่ว่าน้องปู่ต้องต้องต้องคุยกับานะค่ะเพราะวนั้นเก็ไปได้อยู่แต่ว่าได้แค่หกเดือนเผยแผ่หกเดือนยังได้อยู่ท่านบอกว่าเร่งภาษาบ้างได้เลยอม ได้แต่ละพรแต่ตัวเองมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่ถ้าไม่มีนักธรรมไม่ได้นักธรรมนี่จะอยู่ได้ค่เดือนไช่ใช่มันกอังกฤษได้อยู่หกเดือนอ๋อค่ะถ้าอยู่นา้จบนักธรรมใช่อยู่ต้องจบนักธรรมเอกจบพระธรรมโูตเอกมั่งท่านหอกท่านจะไม่ทำอะไรเลยท่านจะภาวนาจะเรียนพระธรรมทูตีก <c oughs> บอกมันจะไปเสียดายเวลาเร า, เด า, เด า, เดาได้กำลังใจมาแล้วได้ปฏิบัติมาแล้วสูตรเรียนเขียนอ่านได้ฝึกขัดฝึกผมเราไม่ได้จะพาะแท่งเอาผู้ดเดียวก็เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าไปพระ อ, องค์เดียวเราไม่สอนสัตว์โลกเราจะได้รู้ได้ยังไงล่ะฮะ <c oughs> ถ้าผ่าถ้าที่ทำดีทำชอบเห็นถินเห็นหั้งมเราไปเผยแผ่ญาติโยมแจ้ไหนตรงไหนเราจะไม่เห็นประโยชน์ตรวนี้บ้างเลยยิ่งหาพระที่จะตั้งใจปฏิบัติมันหายากเสียด้วยค ดูที่โยมแม่อะไรสวายพระปลาสวายอาหารเชิญจุธูตินเชิญสวายพระทหารเชิญตวดน้ำในเราทาบุญนะแต่ว่าจะทำบุญเนี่มทาทบาตรไม่เท่ากับโค้ดเห็นไหมพระเกิดกี่เล็จะทาบาตรจนช่วยพระสงฆ์ถากกี่เหล็จมจะได้บุญมีตะออกกี่เหล็จิตอมตีถังหมู พระมาแล้ว <c oughs> ้องจะทายเห็นหน้าไปทางพระประธานว่ารอมกันข <c oughs> ทําบนเอาหน้าพชนาอาหารของทานก า, ารของข้ามายที่ไหนอาหารใจมือขึ้นแตงวมมือใายบางบนทับมือขวทับมือใ้ายรับตาเ บ, บา เอาสติไปดูลมเข้าลมออกถ้าเห็นลมก็เห็นบุญถ้าเห็นบุญก็เห็นสวรรค์ถ้าเห็นสวรรค์ก็เห็นใจดูลมก็คือดูใจดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออก อุ้มเอื้อมหัวคร อืเยังไงล่ะอาหารใจไม่คีอาหารใจสบายไห ม, ม อ, อืมนี่แหละทำบุญคืออาหารใจทำทานอาหารกายเห็นไหมเต็มอยู่นู่นคนเราชอบยุ่งนั่นแหละเรื่องยุ่งยุ่งชอบทำริงได้ย่ำโยมยูจีนในบ้านก็เยอะคือว่าเยอะกว่านี้จะด้วยกระจำบอกว่าถ้าเทศกาลเขา้าพรรษา เรต้องใส่หกใส่หอ่ออาหารกับข้าวใส่พร้อมกันเลยถ้าพระพอฉันแล้วก็ให้พระปิาบานแล้วก็กลับมาฉันที่วดัดถ้าเอามาเยอะมันยุ่งรู้จักไหมเดี๋ยวจะหาว่าโยมที่มาบ่อยๆ อ, อาศัยพระเลี่ยงคีบจะว่าอีกแหละทะเลาะกันอีกแล้วจริงนะถ้าเอามาพอฉันก็ดี คนก็ไม่เอาหมามาปล่อยไม่เอาแมวมาปล่อยเพราะคนบาดไม่เยอะเห็นไหมที่เยอะเยอะเพราะคนบาดเยอะไปดูวัดอโศกมีที่นั่งบะหมาอยู่ทุกมุมก็พระไปเลี้ยงมันดีถ้าพูดว่าไม่สงสารเขาเหรอเป่าเอาก็สงสารก็ในโลกมันเกิดมาก็มาเลี้ยงหมดทีก็เขาเกิดเป็นเพราะชาติของหมาเขาสร้างกรรมไม่ดีก็ไปเป็นตัวอย่างตัว เนื้อจะเป็นหมาก็ให้เป็นหมาวัดดิตามความโบราณก็ให้ตายเป็นหมาวัดเถอะว่าไงัล้วก็วัดเอาไปเลี้ยงเป็นงไงเก็ไม่เลี้ยงยังไงล่ะก็คนเอามาทิ้งไว้ก็พระจะไปฆ่าเขาไล่เนี้ก็ยากมันก็ไม่เนี้เน่ะก็เพราะอะไรหล่ะมีค้นบะถ้าสันหมดแล้วก็จะสงสารหมาอีกนี่สงสารไก่สงสารแมวสงสารอะไรก็ไปอก็พระก็สงสารอยู่ถ้าโยมเข้าใจก็ต้องจะเอามาปล่อยวัดตัว ก็เลยแบ่งออกที่เมตตาอยู่ถ้าเมตตาจริงๆก็ไม่มีอคติต้องอามาเลี้ยงมดมันเกิดเท่าไรสัตว์จะไปเลี้ยงเป็นตัวลักเป็นตัวมันก็มีอคติใช่ใจใช่ไหมคือให้โตกินแต่ให้โตหักแต่นั่นหมาเอามาตัวหางพวกล ต, ตัวไร ง, งามก็ม้วเอาตัวนั้นไปเลี้ยงดูดีดบรีเอาไปนั่งน้ำไปฉวัดมุ่นกับกาบก็บปถือพระถือกระหม่ จะไปตี๋ยกะพระหลวงพ่อปะกู้มาหลวงพ่อปะกู้ไปต้องกับว่าใดได้แบบอย่างให้มีจุดนี้อย่างให้เน้นหนักตสมบุรณก็ดีอยู่คิดอยู่ถ้าไม่อยากจะเรียนก็ไม่ว่าแต่ว่าให้เรียนได้แล้วก็จะค่อยเอาคำมั่ของพระเจ้าถึงไม่เรียนสูงก็เผยแพร่ได้อย่หลวงพ่อไปก็ไม่เรียได้ภาษาจะ <c oughs> เรียนแล้วเขาก็ยัดให้เป็นนู่นเป็นนี่อีกแหละ แต่เขาบอกเรียนอุปชาหลวงพ่อเขาไปไม่ไปสอบดิขอร้องห็นบอกว่าขอร้องเถอะไม่อยากรับภาร ะ, ะเรื่องอย่างนี้เพราะโดยเฉพาะถวายทุกวันนี้มันบาดหัวใจอุปชานั่งสวดให้จีชั่วโมงก็ไม่รู้สองําวันไปดูบ้านขวดเล่ายังไม่หมดสึกไปแล้วเราตั้งบอกตั้งแกสอนบวดให้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ หนึ่งจะไปให้เราเป็นบวชได้ทําไมเราถ้าบวชอยู่ไปเลยตลอดหลวงปู่ก็อยากจะขยันจากจะยันอยู่อุปชาวกว่าดีจะบวชวันสองวันพอบวชสองวันต้องวันจึงได้วางไว้วัด ป, ปักุงถ้าไม้บวดถึงสามเดือนไม่บวชเพราะฉะนั้นจึงอยากให้แน่นหนักภาคปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติเลยพระให้ถอนให้ปล่อยให้วางทําไปเถอะ นะหรือเฉพาะพระเล็กพระน้อยอย่างนี้แหละ <c oughs> ถือเลยอธิษฐานถ้าไม่วินทบารไม่ได้ไม่ฉันน่ะคนในตายเรากินแต่ข้าวอย่างเดียวจะกินเหลือตายเรามาหัดใหม่หรอแต่เมืก่ก่อนพ่อแม่ปอนแต่ข้าวเปล่ า, าใช้ใหม่แต่ทำไม่ใหญ่มาหรอยำเส่นาําไรยำเส้นำยำไรแม่ไปมก ทั้งน้อยก็มาตอนเนี่ยเขาปากลกูกอย่างไงมาจทักงน้อยปลาปลาปลาปลาไงกุมาจทักงน้อยกล้วยกล้วยกล้วยกล้วยหรมาปลาปามิตมหัธาตุใหม่อแหละถ้าทําได้มันก็ยิ่งสบายเิเราไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ทานไม่ใช่ไม่ไมฉันฉันอยู่ทําให้ฉันเจะเลยจึงอตัตจิละมัทานุโยโกตึงกันไป ทรมานร่างกายให้ลำบาก น, นี่เราฉันอยู่จะเป็นไรไปเรายินแต่ข้าวเปล่ายิ่งสบายเลยไม่ต้องไปทองน้่นห่วงนี่ห่วงน่นห่วงนี่บางิดส่งอาหาร เ, ย, เยอะๆแมัยก่อนหลวงปู่มีพระองค์หนึ่งนั่งติดหลวงพ่อติดหลวงปู่ใหญ่ <c oughs> กูส่งมาส่งมาเขาก็ใส่าอาหารเยอะๆเนี่ยถือแขยคนละซองน้องปุ๊แจง้งแขรคนละซองขวบไหม <c oughs> เป็นโรงแรมเพื่นกับว่าสงไงดิปกติพระต้องรับเวลากูบายจารย์ส่งอาหารไปต้องรับจากมือกูบายจานดิไม่ใช่ให้ท่านไปวางตรงพื้นเดิมันจะสะดวกกูบายจารนเนี่งโรนั้นก็บมดจะไปเ ร, เรียกนั่นเรียกนี่ยุบก็เพื่นกับท่นทักสงไปแล้วเขาละซองเนี่ย <c oughs> แ่ ไ, ไถ้าไม่สนใจจริงๆมันฝึกจริงๆนะฝึกพูดปฏิบัติทำพูดมีเกียรติศรัทธาจึงไปกับหลวงปู่ได้นะจึงไปถือบาทถืออุปกรณ์ได้นะถ้าไม่สนใจจริงๆไม่ได้หรอกไปลืมนู่นลืมนี่ลืมอะไรตอนอะไรลูกเสียบลูกหาไปลืมอยู่ที่โอ้ยเหมือนชอเดี๋ลืมจังหวัดตุนวันนั้นพูดตลอดวันเน่ะคนติดตามคนเคยถือ เลยแปะกลางคืนลืมอยู่ที่ไหนไไก็จะแปะกลางคืนความแค่ห <Okay, S 1> ลวงปู่เพราะท่านนั้นเยี่ยมท่านจำให้คนมีจิตใจมีความสนใจมีความเอาใจใส่ทาอะไรต้องเอาใจใส่ต้องสนใจในเรื่องนั้นนั่นนะทํางานด้วยความสุขความสุขมีงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยววิชิดพระมีความสมัคมรถ้ถาพระไม่สมัครหลวงปู่ก็บอกแล้วแต่ไปตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่ต้ให้ตั้งใจเล่นนะ ถ้าไม่นโอเคงานทางโลกก็ไปเล่นไปหัวพระท่านบางท่านบางโลกท่านเป็นช่างเป็นอะไรก็อยากจะทําช่วยทางนี้เนี่เพราะฉะนั้นก็เลยทัง้งคาอยู่เพราะถ้าหลวงปู่มาก็ทําเสร็จไปแล้วตั้งเสาไว้แล้วไปโดยเฉพาะยมนึกเสียตละดเราพระก็เสียตละบ้างนิดหน่อยไม่ได้เลยไม่ใช่ตัดทําให้ตลอดนี่นิดหน่อยแค่นี้สองสามเสานียก็ไปแล้วไม่มีเสียตละนี่ก็เห ม, มือนกันทําไมถึงมาทําวัด คือมาเทศตอนนี้ทําไมไม่ทําวิธีนู่นวิธีนี่ทําไมไม่ฉันทําไมไม่ทําวัดตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเห็นไหมเหรอมีเรื่องไหมล่ะตีละครตีสี่ตีห้าพวกเด็กมันโกรธไอ้พระเขาทางานตลอดตอนก็อยู่ยามมาอยู่เวีนอยู่ยามมาตลอดตีสามตีสี่วันจะไปพักผ่อนพระตีละครให้หมาหอนลุกออกไปตีปากพระตัวเรื่องไปเล่าลุงพ่ากับว่าได้จําว่าวัดใดอีกรัก บอพระไปตีละครั้งตีแล้วก็บรรทาเท่าไงได้บ้างเออพระเจ้าทำวัดทำวาไม่เห็นตีละครั้งล่ะก็ทำอนชาวบานี่เป็นไงจงไปไม่เพืองไปนี่ควจริงไฟก็ไปจากกัได้นะถ้าไม่ได้ฉุกนั่นทำให้เพืองไม่รู้เท่าใหร่ถ้าเรื่ค่าโรงพยาบาลบาลงแห่งเขาโรงพยาบาลเป็นแสนแสนค่าเดือนแ ต, แต่ละเดือนแต่ละเดือนค่าไฟฟ้า <c oughs> เนี่ยวัดปรับปรุงไปยังต่อเข้าไปอีกแล้วเดี๋ยวเขาเสร็จจอดพระแล้วปฏิจัจะได้ตัดออกอีกอยู่นั่นในชิดแรกม่คิดวเรื่องไฟฟ้าก็เลยปล่อยนะเขาเอาเข้าเขาจะไปทำพระสมุดรูปไปประเทศดังเกียเอาเห็นก็ไปลงเยอะโอ้ยไปต่อเสาไฟฟ้าเขาไปต่อหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าไปอีกโอ้ทีนี้เขาทําเสร็จแล้วก็จะให้ตัดออกอีกเหมือนเดิม <c oughs> ไม่เอาไปไปเอาเฉพาะสูบน้ำเท่นนั้น <c oughs> ถ้าเป็นไปได้น้ำมีเยอะแยะใหญ่ให้ตักเอาสิไปด้วยเดี๋ยวนี้พระที่เกียดหมดแล้วไม่ใช่ตำหนินะเดี๋ยวนี้น้ำกองในกงตักกองถันไม่เป็นหรอกมีแต่น้าขวดน้าขวดเท่านั้นแหละก็โยมเรอยากให้พระสบายผันสะท้ายพระก็สบายละเลยลืมจิตวัดบังกะบลกธรรมกะบลกกองน้ําไม่เป็นแล้ว ไม่ด้ขานแปดพุทธเจ้าไม่ทิ้งนะเดินทางออกจากวัดไม่มีธรรมกะรคปรับอบัดน่ะเรื่องกองน้ำเดี๋ยวนี้กองไม่เปลี่เอาลองไปบอกพระไปกองน้ํามาดูสิมีตรรมะเราใส่ก๊อกคนเดียวนะมัดใส่ก๊อกหาเป็นมีตัสัตว์พระกับบาปคือเขาไปกักขังต่องกองน้าเปิด น, น้ำนมาน้ํานั้นอมันเป็นสุใส่อง เ, องเ น, ยอ ง, เนยองมากองแล้วก็กก น้ำเหลือนิดหน่อยมีตัวสัตว์ก็ไปเทหนองได้นะถ้าเอาเครื่องไปผูกไว้ในก๊อกหงอกนะถ้ามีสัตว์ออกมาก็ไม่ตายอยู่ในผ้าอีกงล่ะเป็นบาปไหมล่ะเพราะฉะนั้นพระเจ้ า, จาให้มีธรรมกโรกไปกองหงอวันนี้ก็โยมก็ทําสบายกว่าน้าไม่มีสัตว์กว่าน้าไม่มีสัตว์เอามาฉันได้ฉันได้อะเล ย, เล ย, เลยทิ้งไปแล้วนะั่นข้อวัดแล้วก็ฉันในบาศิก็ทิ้งไปแล้ว แล้วกับแหวนแข่งก็ไม่มีบินสบาดแล้วบอกว่าโยมบม่อดโยมไม่อดจมไม่เอามาแต่ละวันแต่ละวันไปบินให้ยังไงทาไมยังมีมาแล้วบางวัดพูดอ่ะพิงไม่ได้จิตวัดข้อวัดต้องรักษาไว้ผู้ดวงก็วัดก็รักษาไว้ศรัทธาบาตไม่งั้นก็หรือว่าเดจดเมื่อเดาเค็ดตังได้เค็ดได้สิเป็นเรื่องอย่างของคนอื่นต่อไปในเรื่องทําตําเนี่ยมันเอาง่าย ทำตามง่ายนะเดี๋ยวเห็นแล้วหลวงพอ่อขึ้นใส่ถั่วจินนั่นหลวงพ่อคือนสดจินนั่นเห็นหลวงพ่อทำได้ก็ทำอีกต่อไปอีกไม่สิ้นสุดหอกเรื่องร้อมของกิเลสเรื่องของโลกกดเอาเถอะแค่อายุไม่ถึงร้อยกลัวหรอกอย่างเจงก็ร้อย ก, กวลัวก็ไปแล้วมันไม่นานนะปีหนึ่งปีหนึ่งกินไปกินไปแต่คิดว่านานก็นานถ้าไม่คิดแต่กลัวมันก็ไม่นานแล้ว ทำความดีไปทุกวันทุกวันก็สุขใจดินี่ทำความชัวม่วนัแสดงออกแล้วนี่พวกที่ปักไปในทางต่ําไม่อยากเอาอยากปีนหรอกไม่อยากปีนเกียวหรอกมีแต่ไหลาตามแม่น้ำติเลศนั่นและอะไรทางติเลศมันก็ง่ายเดินี่ทําตอนนี้ก็ได้โยมก็ได้มาวัดก็ได้ทําปัดด้วยทานิดหน่อยก็ไม่ทำยาวไม่ส่วนอะไรเยอะ เกิดแต่ทไม่ได้เสีหาบรรัญชรไลยจบพันจบพิธามไล่จบพันจบส่วนคาถาเงินหมื่นมันล้านว่าจบพันจบสวดสวดเท่าไหร่เงินจะเข้ามาว่าหลักฐานว่าทำงานนี่เหมือนกันนะสวดเท่าไหร่ทําบุญทําบุญแต่ไม่ทำมันจะได้อะไรล่ะนั่นไปวัดทําบุญไปเรากไปเงียบือไปวุ่นวายหาแต่เแี้ยมันยุ่งคน อันนี้ถ้าไม่ ป, าป่าไหวอันนี้ก็คุกคีแต่อยู่กับอาหารนะยังได้เตือนเอาเตือนเราเรื่องอาหารกายมันไม่แน่นอนมันเกิดกิเลสถ้าทานเป็นได้บุญถ้าทานไม่เป็นได้บาสนั่นใส่ได้บาปเพ่อฉันมันก็มันก็พอดีแล้วได้ป่ากิเลสเป็นในตัวหรือจะไปฆ่าเวลาไหนฆ่ากิเลสฆ่าไม่บาาคือฆ่ากิเลสลูกจกหน้าตากิเลสไหมล่ะือ ไม่ค่อยเคลียด้ยไม่เป็นอยัางหรอกันแหวยไสจานซื่อเบิดเป็นอยงหอกถือเงินรวบไม่หวงซื่อๆแตว่าเป็นเงินึงได้เปียกระดาษลาปส่นได้เลียร์อบอ <c oughs> ปิดสินไ่เหมือนสิน ท, ทางโลกนะทางธรรมมันละเอียดนะนะ <c oughs> <c oughs> สิริญาติ่มกันสร้งานรงรามหาจะส้งสงสงสงาสง จัดจใส่ซองจะสวรรพระพระก็บอกว่าไม่เป็นไรถือซองไม่ได้ถือเงินนะพใส่ใส่ยอมเด็กผมว่านญาติไม่นังเงินกนไม่ไม่นังคือนนซ่องหรือไปโกหกตนเองได้ยังไงงหงสงสายยหังไม่งอดดเยอะหัเป็นตัวว่าบมีนั่งอดสิวาลักมีในโลกเข้าใจไป ก็พูดละเอียดนะจึงจะเข้าใจถ้าไม่ละเอียดก็แค่นั้นกับยจจัดใส่เถนเป็นปถือเราเป็นจะถืออย่างเงินทังเจ่ยกระดาษซื่อๆก็ไปได้ <c oughs> วัจะจร้ญพระเจ้าจึงบอกว่าอะไรลาวเล็กเท่าต้นตาลอยู่ที่มณฑกมณฑกเดือดอก็มีลาวเล็กเอาไว้สำหรับใส่พระสังฆาพระสงฆ์ถึงกับลาวเล็กมันแอนลงมาคิดดู เราเหลวสําหรับใส่ผ้าสังขาติเห็นมันทางโลกก็จะเอาพระเข้าคุกก็ต้องเอาผ้าสังขาออกต้องฝึกก่อนเอาพระไปขังไม่ได้อ น, นี้ฉันใดหนีน่เทียบดูเถอะ โ, โลกนรกทันใดก็เหมือนกันต้องผ้าสังขารเทียบให้พระสงฆ์ตื่นตัวนะไม่ลิบแต่ฝังกันนั่นก็ยังมีความตําตี้ความโลภ ก, ก็มาครอบงาําจิตใจนั่นเห็นไหม ความจากก็เหมือนชาวบ้านฉันถือไม่เป็นไรฉันไม่ยึดยึ ด, ยดถือกับเงินกับทองพระเจ้าห้ามนะจะทําเกินพระเจ้าไปเขาตามใจชอบทําตามใจชอบใช่ไหมถูกใจแต่ไม่ถูกต้องทานถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง <c oughs> เมื่อาบุกุศลอกตนไดวมูกหลานที่เสียสละมาทามําทานก็ดีจัดมนตไหว้พระนั่งสมสงาธิเจริญเมตตาภาวนาตามคําสอนของพระเจ้าก็ดี เป็นบุญกุศลบุญกุศลที่ว่าเราได้ทำแบบนี้บุญกุศลมงคลสุลตระกูลที่เจ้าคุณประทับคุณประสงความสิ่งใดทั้งายต้องมารวมกันจงปกป้องปกปักษรักษาอกตนและโยมด้วยฝันจิตวิญญาณจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัยพาฒนานิ่หนึ่งอันใดก็จงสาเร็จงสาเ็จสมดังความอาถนาจงทุกประการเถอเบโลาวน ก็ oh.